พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าตายตัวเดียวเน่าทั้งคลองวันนี้เป็นวันที่18 สิงหาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9พวกเราเข้าพรรษามาก็หนึ่งเดือนพอดีวันนี้เป็นวันอุโบสถแต่วันนี้ลงอุโบสถผิดเวลานะตามไม่จริงเราลงอุโบสถเที่ยงนัดกันเที่ยงแต่วันนี้นัด สิบโมงเออสิบโมงสมสแต่ก็เลยมาหน่อยนึงเพราะว่าเราจะต้องไดไปไปชุมเพลิงโยมอุปธรมประตะวัดอย่างที่นองพ่อได้พูดเมื่อเช้านี่นแหละต่เนี้นให้จัดไปนะจะไ ป, ไปกี่องค์พระมาจากต่างถิ่นกี่องค์หรือกับพระมันน้อยไหมหรือมากแต่มันมากแล้วอบพระวัดของเราไปไม่ต้องมากก็ได้ แต่มีพระตั้งน้อยทั้งอื่นน้อยเราก็พระในวัดของเราเสริมเข้าไปเพราะสล า, าก็ใหญ่ลสล า, าที่พักศพวันนี้เป็นวันสำคัญของพระพวกเราได้ลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้พระทั้งหมดวันนี้มาจากต่างถิ่นห้าสิบรู แต่พระในวัดของเราจำพรรษา46รลกูกแต่มีพระมาจากวัดบรวรเป็นพระนวะกูะบวชชั่วคราวอีกหนึ่งลกูกแต่ว่าวันนี้ลงบวช ด, ด้วยกัน50ถึงยังไงวันอุโบสถเช่นนี้เราก็จะต้องได้พูดการเรื่องศีลและวินยัยขอให้พระ ลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายเรื่องศีลศีลาจารวัตเนี่ยศักดิ์ศรีพูดอย่างนั้นเลยนะ่ะศักดิ์ศรีของพระคือศีลและวินยัยถ้าองค์ใดก็ตามเป็นผู้เคร่งในศีลและวินยัยนั่นแหละคือเป็นผู้มีศักดิ์ศรีแต่ถ้าว่าผู้ใดมีลาบมียศมีคนถวายปัจจัยเชิดชูบูชา ยย่่ออนแต่ยอ่ยอย่อนในเรื่องศินและวินยัยอันนั้นไม่ใช่นะสักโลโลบริสังหันติลาบสักการะย่อมฆ่าบุคคลโง่ให้ตายให้เสียหายได้ท่านไม่ได้เชิดชูแต่ท่านผู้ใดเป็นผู้มีศินแข็งในศินและวินยัยมีผู้เป็นผู้มีศีรษะจรรวษ่นั่นแหละเป็นผู้มีศักดศรีเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พนังขอให้พวกเราทุกๆท่านเรื่องศีลและวิ น, นัยเมื่อเราศึกษาได้เรียนรู้แล้วเราทุกวันนี้พวกพระที่อยู่ต่อหน้าของผมนะตั้งห้าสิบรูปสี่รูป4ี่สิบเก้ารูปเนะี่ยล้วนและจะได้รับการศึกษาทางโลกมาอย่างโชคโซนปริญญาตรีโทเอก อย่างน้อยก็มสามมสี่มห้ามหกมีจะจบป .4 ีแต่ผมล่ะผมเป็นคนรุ่นเก่าแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสานาอย่างนี้ละ่ะขณะนี้เดียวนี้ะถึงใหม่หรือเก่าก็ให้พวกเราทบทวนดูในใจของเราว่าสมัยเมื่อเราเป็นครวาดเราเห็นพระ บวชในพระพุทธศาสนาโต๋โต๋เต๋ตตเดินตามถนนคนทางตามตลาดตลาดลานค้าไม่มีกิริยามารยาทที่ดีเราก็ตำหนิในใจเพราะเอพระทำไมออกมาทำกับกิริยาอย่างนี้ในถนนขนทางในที่สาธารณะไม่น่าจะถูกต้องน่าจะสํำรวมระวัง กิริยามรรยาตแต่ฆราวาสเขาก็ยังไม่ทำแต่ทำไมพระถึงยักล้าทำอย่างนี้อันนี้คือพวกเราตำหนิในใจในเมื่อเราเป็นฆราวาสเพราะเราเกิดมาเห็นหลายแห่งหลายหนหลายที่หลายทางเห็นพระหลายองค์ที่ธรรมกิจกกับกิริยาไม่ถูกต้องเพราะนั้นเสียงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแหละให้เรามาประมวล มาหาตัวของพวกเราไม่ใช่แต่ตัวของเราเตือนพวกเพื่อนของเราอีกต่างหากผมสมัยพว่งเมื่อเป็นคารวา์ผมเห็นพระทรอกับกิริยาอย่างนั้นบางที่ไปบินเท่าบาททั้งที่บาดอยู่ในมื อ, อแล้วจะปลดโทรศัพท์ออกมาแล้วก็ยืนดูเรื่องอะไรในโทรศัพท์ จากนั้นเขาเรียกให้คนมาตักบาตรอย่างนี้เป็นต้นผมเห็นแล้วมันยังไงอันนี้คื อ, คอบางคนมาพูดให้หลวงพ่อฟังนั่นแหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเรามองดูแล้วไม่เหมาะสมไม่สวยงามไม่อยู่ในสมณะสารูปสิ่งเหล่านั้นให้มาประมวลมาหาตัวเองพอเมื่อข้าพระเจ้าบวชมาแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนั้นโดยเด็ดขาดคือให้มีเด็ดขาดในจิตใจของเราเราจะไม่ทําออกนอกลูก่นอกทางในเรื่องที่ทําผิดสมณสารูปท่านเราเห็นแล้วเราไม่เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสในอกับกริยาอย่างนั้นเพราะฉนั้นเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วถ้ากว่าเราลืมเราลืมจุดนั้นเผลอๆเราเป็นคนทำเสีเอง ถ้าคนอื่นเห็นเราล่ะ เ, เขาก็ท้อแท้อ่อนแอได้จิตใจเขาเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ เ, เขามาบวชในพุทธศาสนาแล้วให้สํารวมระวังเรามุ่งหวังอะไรเราต้องการอะไรอยากจะได้ลาภไรยศอยากจะได้เงินได้ทองอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่ของเราจะหา เ, เงินหาทองในขณะที่ยูนฟอร์มอย่างนี้ สีสะล้นอย่างนี้ครองผ้ากาสาวพัดอย่างนี้เราไม่ใช่สถานะที่เราจะไปหาเงินหาทองควรจะหาธรรมเข้าสู่จิตใจและเมื่อทำเข้าสู่จิตใจแล้วผมเองหลวงพ่อเองมั่นใจว่าอติเลขกขลาบหรือว่าปัจใจสี่จะ ล, งลังไหลเข้ามาหาถ้าเรามีบุญวาสนาบารมี แต่ถ้าว่าเราไม่มีบุญวัฒนาลิ่งยิ่งหาอติเลกัลาบก็ยิ่งวิ่งหนีเพให้อะไรเพราะเราไม่มีบุญเราวิ่งหาทอะไรอติเลกัลาบไปยิ่งวิ่งหนีแต่ถ้าเราเป็นผู้มีบุญได้เคยทำบุญไว้ในอดีตเราอยู่เฉยเฉยมันมาเองบุญอติเลกัลาบเ่านั้นเราต้องเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อในบุญในกุศลของตนเอง อย่างพระศิวผลีในครั้งพุทธการพวกเราก็คงเคยได้ศึกษาเพราะฉนั้นเราต้องเชื่อส่วนหนึ่งเราก็เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแต่ว่าการบินทบาทฉันนั้นอันนี้นคือเป็นกฎระเบียบประเพณีของ พ, พ, พุทธเจ้าให้บินทบาทฉันเมื่อได้บินทบาทฉันแล้วมีผ้าอยู่ในฟอร์มอย่างนี้แล้วเราจะหาอะไรอีกมีอยู่มีฉันถ้าว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วย ศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ในระแวกนั้นก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องปัจจัย4เพราะฉะนั้นเราควรจะแสวงหาบุญกุศลหรือแสวงหาสมาธิและปัญญาหาทางพ้นทุกข์หาทางหลุดพ้นในวัฏสงสา ร, รเท่านั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องนะตามแนวทางแนวความคิดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อแนะนําสั่งสอนสิทธ ญาตุสิทธิ์ของหลวงพ่อนะลกูกหลานของหลวงพ่อต้องเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจอย่าไปฝไ่ในเรื่องปัจจัยสีถ้าหากว่ามีความจำเป็นก็บอกขึ้นมานะแต่ทังนี้ท้งนั้นไม่ใช่หลวงพ่อกีตันีที่เหนียวกีดกันไม่ให้ลูกน้องลูกหลานของหลวงพ่อเนี่ยอพ อ, อมีอะไรขึ้นมาแล้วกีดกันโต เก็บกันเอาไว้ไม่ให้ลูกน้องได้ใช้จ่ายไม่ใช่ให้ทุกพวกท่านทั้งเหนือทั้งหลายเสนอขึ้นมาเลยเจะตัดจะุกปัจจัยที่ได้มาเนี่ยไม่ได้เพื่อใครผมไม่ได้คิดว่าเป็นของผมผมเอามาใช้เพื่อหมู่เพื่อคณะเท่านั้นแต่มีความจําเป็นนะแต่ถ้าไม่จําเป็นผมจะเบรกนะเพราะว่าผมจะบเออพวกเราเป็นสมณะสารูปนะผ้าลูกผ้าหลานนะอย่าไปใช้แบบลืมตัวไม่ได้นะเพราะเราเป็นพระ ถ้าว่ามีความจําเป็นอถึงจําเป็นมาเอาบอกมาหลวงพ่อจะเอาให้ถึงหลวงพ่อจะไม่ให้เองก็นนะั่นแหละลูกสิทธิ์ลูกหาที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นพระผู้ใหญ่ในวัดนี้ก็มีอยู่เขามาหลวงพ่อก็จะมอบให้ให้ไปมอบจัดการให้นะถา้ามีความจําเป็นถ้าไม่จําเป็น เ, เราเข้ามาบวชแล้ว เ, เราต้องการอะไร แต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็อยู่อย่างพวกพรลูกพระหลานอีกเหมือนกันนะั่นนะแต่จะมีพิเศษก็เนี่ยนะที่ศรัทธาญาติโยมเอามาถวายเป็นตอนเช้าเนี่ยที่หลวงพ่อก็ไม่สบายใจทีหลวงพ่อฉันทุกวันนี่ไม่ใช่หลวงพ่อสบายใจนะั้นลูกหลานนะเออแต่ว่ามันจําเป็นถ้าไปบอกเขาก็ไม่ได้บอกเขาบอกเขาเขาลยญาชัยเขาก็ยังยังอย่างเก่ามันบอกหวัวใจห้ามหมวัวใจยากนะแต่ถึงอย่างไงเมื่อออกพรรษาแล้วนะ พวกเราก็เห็นหลวงพ่อคนะับจัเฉลียเฉลียไปแต่ในปรรซากว่าอาหารไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังเราก็ต้องถือกฎระเบียบถือกฎเกณฑ์นี้อันนี้ก็คื อ, อพวกเราถือกันมาตั้งแต่องค์หลวงตาแต่เราคิดหลวงพ่อคิดเองก็หลวงพ่อคิดดูแล้วว่าถึงยังไงพวกเราก็ อาหารการบริโภคเพียงพอการอยู่การฉันล้นเหลือล้นหลามล้นเหลือเพอาะเราต้องการฉันอะไรเราก็จัดการใส่บาตรหรือว่าดูในบาตรของตนเองเราจะสับปะยะอาหารประเภทไหนที่เราจะต้องฉันได้เราก็เลือกฉันออถ้าว่าเราจะอดเราจึงค่อยอดแต่เราจะฉันมากน้อยแค่ไหนเออเราจะอดผ่อนอาหารบ้าง เราจะไม่ฉันให้เต็มอิ่มวันนี้เราจะพอดฉันจะกครึ่งหนึ่งหลานหรือว่าชันสัก3ามสีคำดูสิมันเป็นยังไงหรือฉันให้เต็มอิ่มต่อมากันลดลงลดลงลดลงจนฉันเพียงคำสองคําทดลองดูสิเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระลูกหลานจะต้องดูจะต้องตรวจตราดูตนเองในการเป็นอยู่ใ น, ในการปรับปรุง ตัวเอง <c oughs> ในเรื่องการเป็นอยู่เรื่องปัจจัยสีนะแต่เรื่องจิตภาวนานั้นให้ลูกหลานให้เข้มงวดกวดขันกับตนเองถ้าไม่จำเป็นอย่าไปโม้อย่าไปคุยกันให้อยู่ต่างองค์ต่างอยู่พระเวณศสาราก็เหมือนกันเวลาได้เวลาแล้วจบแล้วก็บอกพระพวกน้องๆทั้ ง, งหลายไปไปหาภาวนาเอ น, ะนี่ไปท่องหนังสือไปอ่านหนังสือนะ อยู่ในความสงบนะจะมาคุดนั่งคุยกันนะไม่ได้นะหลวงพ่อเห็นหลองพ่อไม่สบายใจถ้าใครมาเห็นก็ดูดูแล้วก็ไม่เหมาะสมไม่สวยงามพระเก่าก็ต้องเป็นหูเป็นตาแนะนำบอกกล่าวพระใหม่ให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยและกดและเปียบนะมันจึงจะถูกนะไม่ใช่เฉยเฉยเฉยมื่อยมือไม่กล้าบอกกันดนะ้า น, น, นไม่ใช่ ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่ออินลูกศิษย์หลวงพ่ออินน่นต้องบอกกันกล่าวกันแนะนํากันแล้วก็เชื่อฟังซึ่งกันและกันให้เป็นให้มีผู้น้อยให้มีผู้ใหญ่ถ้าหากว่าไม่กล้าพูดกันต่างโกงต่างอยู่เอพราะมีทิฐิมานะกลัวเขาจะเสียใจกลัวเขาจะโกรธก็โกรธจริงๆถ้ามีผู้ไปว่ากล่าวตักเตือนแนะนําสั่งสอนถ้าคนประเภทนั้นพระประเภทนั้นบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะสอนเอง หลวงพ่อจะบอกเองเพือเพื่ไล่ออกจากวัดอีกต่างหากทําไมเรามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนจึงไม่ฟังคําหมู่คาเพื่อนแต่ยังก็ไปอยู่คนเดียวสิจะมาอยู่ให้อยู่กับหมู่กับเพื่อนให้หนักวัดทําไมอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ต้องฟังครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวไม่ใช่ว่าตัวเองจะดีคนเดียวชื่อจะพระดีพระดีกว่าเถอสิ่งที่มันเลวก็มีอยู่คิดเลวทําเลวพูดเลวมันมีอยู่ จะไม่ให้หมู่ว่ากล่าวตักเตือนได้อย่างไรนะว่าสิ่งเหล่านี้เราอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับ พ, พึ่งพาอาศัยกันไปที่ไหนก่อนเนี่ยนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือมีกําลังจิตใจท้อแท้ก็ดีก็ต้องอาศัยหมู่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้กําลังใจและเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเพราะฉนั้นขอให้พวกพระลูกหลานทุกองค์นะเที่เป็นสิทธิ์ญาติสิทธิ์ของลุงพ่อเนี่ยต้องเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เออทเออี่พูดข้างต้นว่าสินและวินยัยเออที่เคารพสินและวินยัยพวกเราเป็นผู้มีสินและวินัยอยู่ในตัวนั่นละคือศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของพระถ้าหากว่าพวกเราย่อหย่อนในสินและวินยัยอันนั้นหมดศักดิ์ศรีนะเออหมดศักดิ์ศรีเออเขาจะเรียกยังไงก็ได้เออสา ม, มีก็ได้อะไรก็ได้ อลัชชีก็ได้เขาจะเรียกอะไรก็ได้ไม่ว่าหมดศักดิ์ศรีแทาว่าพวกเราเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีฮิลิโอตปะในจิตใจสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยอยู่เสมอนั่นแหละเขาเรียกว่าส ม, มณะหรือว่าบรรพชิตหรือเป็นสากยะบุตรของพระพุทธทเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะพระทุกองนะ ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้อยู่ในการประพฤติปฏิบัติเรื่องศีลเป็นพื้นฐานถ้าเรามีศีลดีเพึ่งภาวนาจิตใจบันทอแทอ่อนแอถึงยังไงก็ยังในเพึ่องพิงอาศัยศีลกฎกระเบียบวินัยของเราเป็นเป็นเบืเ้องหลังอยู่เพิงอยู่พิงหลังพิงฝาอยู่ต่อไปก็สู้ขึ้นไปอกีกบําเพ็ญเข้าไปอกีก พอในสูตก็ชนะได้เหมือนกันมันกิเลสมันมาจากไหนมันมาจากใจตัวรู้สึกนึกคิดมันมาในใจเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่ใจของเรามันเทาะแท้อ่อนแอเพราะอะไรมันคิดว่ามันจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจนะตะแก้วตะแกจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมให้ถามดูตนเองในเมื่อถามตนเองขนาดันพิจารณาดูซิแต่ไหพิจารณาแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกาย ดูใจดูกายดูกายดูใจผลที่สุดก็ดูใ จ, ใ ม, ใจมันเป็นร่ำลุ่มเป็นรุ่มหลงเรื่องของกายเป็นรุ่มหลงเรื่องภายนอกถือว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญกับตัวเองอย่างไม่ใช้ใจในเนื้อได้สิ่งของเหล่านั้นได้ปัจจัยมาให้กายใช่ไหมกายกายเน่ากายเปื่อยกายธาตุสี่ม่อจะภูมิใจอยู่หรือใจจะภูมิใจอยู่ใช่ไหมใจ เค่ดว่าตัวเองตายไม่ร่างกายตายไม่เป็นเช่นไม่ใจในเมื่อเราเห็นกายเห็นใจเห็นใจเห็นกายอย่างนั้นละ่ะนั่นแหะแต่ความลืมตัวลุ่มหลงมัวเมาอในการเป็นอยู่จะไม่มีนะพ่านลูกพ่าหลานจะรู้เท่ารู้ทัน อ, อรู้ร่างกายรู้จิตใจ อ, อแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวาง อ, อจากนั้นก่อนนั่นแหละมรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของพวกเราทัานทั้งหลายนั่นแหะ ถ้าเราหาหนทางหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราอยู่ปรับปรปุงใจของเราอยู่ตลอดเวลานะีอีกสักวันหนึ่งใจก็ต้องมีช่องมีทางจากนั้นก็หาเห็นหนทางเดินไปสู่มรรคผลนิพพานถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดนะนี่แหละเรื่องสิลเลวินัย น, นนะพ่อลูกพหลานทั้งหลายอยู่ในกรอบนะแต่ผมหลวงพ่อไปได้ยินพระทุกวันเนี่ย ทำมากับกิริยาที่ไม่เหมาะสมถึงจะเป็นเครื่องสนุกสนาน เ, เครื่องเล่นๆก็เถอะแต่มันคงไม่ ด, ไมไมดูไม่ดีนะ อ, อ, อย่างขี่มอเตอร์ไซค์เล่นบังขี่จักรยานบังในที่สาธารณะคนเห็นดูๆแล้วมันมันยังไงมันท้อแท้อ่อนแอในจิตในใจเพราะครูบาอาจารย์สายกรรมฐานของเราไม่ทำถ้าเราทำเข้าไปแล้วนะมันเสียหายนะ ใครเข้าพผู้ที่เห็นนะ่ะมันเอื้อมเอือมนะเบื่อนะในการกระทำของพาลูกพาหลานเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะ่ตัวเองก็คิดว่าสนุกนะนะั้นแะแต่ค น, อ, นอื่นเห็นแล้วนะ่ะท้อแทเอ้เบื่อหน่ายเบื่ อ, อในการอาพอพุทธศาสนาเลยผ่านเลยผ่านเบื่อไปหมดเลยนะเผ่านกระทั่งพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกเลยมอง แตีไปอีกย่างมุมหนึ่งอีกเพราะเหตุใเพราะอปลาตัวเดียวพอมันเน่าหรือมันเน่าเหม็นทั้งคล้องมีทั้งเหม็นไปทั้งกระมังฮะเเหม็นไปทั้งกลุ่มทั้งหมู่ทั้งคณะด้วยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยั้อพระองค์ในใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราเหยียดยามพระที่กระทำไม่ดีฮะ พระที่กระทําความชั่วพระที่มาอยู่ในรับรเบียบวินัยพระที่ออกนอกลูกนอกนอกลูนอกทางถ้าเป็นยูนิฟอร์มอย่างอื่นหลวงพ่อไม่ตําหนินะแต่อยู่ในยูนฟอร์มนี่ไปทําอย่างนั้นนะหลวงพ่อตําหนิถ้าหลวงพ่ออินทํำหลวงพ่อก็ตําหนิหลวงพ่ออินอย่าทํำนะหลวงพ่ออินนะนรกกินหัวนะหลวงพ่อก็จะบอกอย่างนั้นอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกแล้วทีนี้นะ